แต่ผู้เห็นภัยนี่เราเห็นภัยเห็นที่ตรงไหนก็เห็นจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละแปลว่าเห็นภัยบัดนี้เมื่อพูดเช่นนี้ก็เลยมาพูดเอาตอนที่จะรวบลัดเอาให้มันสั้นว่าทำ็นโลกกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างไปมันนี่ผมนะ่าอายแก่ใจโอดตะฝะโง่เก่งกลัวตวบากกรรม มันละอายแก่ใจคือจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละมันละอายแก่ตัวนั้นหรือว่าละอายแก่ใจจริงๆโอตตาความเกรงกลัวต่อบาปมันคือให้ระมัดระวังตัวมันจริงๆความคิดที่มันอากรดขึ้นมานี้มันจะทํายังไงได้เมื่อเราไม่กลัวไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ดูที่ตรงนี้มันก็เลยเป็นอารมณ์ให้เราไปทําผิดพูดผิดคิดผิด อันนี้แหละความผิดของคนเราไม่ว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วเมื่อเรามาศึกษาเข้าใจที่ตรงนี้แล้วก็มามองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนทุกคนมันมีชีวิตเหมือนกันเมันก็เลยไม่ทาความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่สังคมอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างลับๆตึ๊ดใจเดียวก็ได้ที่เคยมาพูดที่ธรรมสถานก็เคยพูด แต่ผู้ที่ไหนเคยพูดครมะคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนจริงๆนั้นผู้ที่มีปัญญาฟังแล้วอึดใจเดียวไปไ่ใจได้ทันทีเนี่ยเข้าใจอย่าเคยพูดอย่างนี้พูดมาบ่อยๆดังนั้นวันนี้ที่เรามาปรผสมกันที่ธรรมสถานแห่งนี้ก็เอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาตัวเองมันทุกเกิดขึ้นเพราะความหลงผิดเท่านั้นพเพราะความคิดนี่แหละ ความคิดนี่แหละมันทำให้มีโกรธมีโลภมีหลงแต่ความคิดนั้นมันไม่ได้พุกตอนมันพุกคือเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราเข้าไปในความพุกเสียแล้วมันก็เลยไม่เห็นพุกความโกรธความโลภความหลง ม, มันตกหน้าเอาทั้งนั้นศึกษาเราเรียนพระใติดเด็กจนจบพระองค์ท่านก็เรียกว่าโมคะบุรุษใจไม่ได้ คำทีเป่าใบลานเป่าอะไรนี่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังคำว่าโมฆะโมฆะตัวนี้พวกเราควรหน้าวาดเสียวสะดุ้งต่อจิตใจแปลว่าไซไม่ได้เดี๋โมฆะบุรุษแปลว่าไซไม่ได้คำว่าไซไม่ได้หนาย่าโมฆะจะเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นอะไรก็ตามเละถ้าหากไซไม่ได้ดี๋โมฆะทั้งนั้นดังนั้นคำว่าโมฆะในที่นี้ หมายถึงบุคคลที่ไม่รู้นั่นแหละคนใดไม่รู้กัคนนั้นยังตกอยู่โมฆะคนใดรู้กับคนแตจะกวมเป็นโมฆะก็โมฆะในที่นี้ไม่ได้อ้างถึงกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้อ้างถึงอื่นไกลคืออ้างถึงเรื่องจิตใจทั้งนั้นเอาขันนั้นไปอธิษฐานตามริมแม่ น, น, น้ำไว้ความอธิษฐานของพระองค์นั้นว่า ถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสตายลายกิเลสหลุดจริงๆแล้วข้าพระเจ้าวางขันหรือถาดใบนี้ลงไปในแม่น้ํานี้ให้ถาดใบนี้หรือขันใบนี้แหละทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ําไหลตรงกันข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะฆ่ากิเลสไม่ตายขายกิเลสไม่หลุดดับทุกข์ดับร้อนไม่ได้ วางขันใบนี้ลงไปในแม่น้มนี้ให้มันล่องลอยไหลไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็วางขันลงไปหรือวางถาดนันลงไปถาดหรือขันนั้นก็ทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำเลยไปจมลงที่ตรงหัวกระนาดนอนว่าอย่างนี้นอนนพออาจามาพูดให้ฟังได้ยินได้ฟังมาจากพ้อและ ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังก็เลยจํามาได้อันนี้เรียกว่ารู้จํารู้จักแต่ไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งไม่นจะเป็นการรู้จริงตอนที่รู้แจ้งตอนที่รู้จริงนี่อันนี้เป็นคําพูดที่มันเกิดมาจากจิตสํานึกขันธาตุนั้นก็หมายถึงตัวเหล่านี้เองหมายถึงตัวเหล่านี้เองว่าขันธาต ขันก็เรียกว่าขันห้าธาตุก็เรียกว่าธาตุสีพูดย่อๆทันสั้นเพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกันการทวนกระแสของน้ําน้ํำก็ห่วงน้ําเรียกว่ากิเลสอันนั้นเป็นคําพูดการทวนกระแสของน้ําคือการทวนกระแสของอ จ, จิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละ พระ อ, องค์มาทําอยู่ที่ลมต้นโพต้นโพนี่เราก็คิดว่ามันเป็นต้นโพจริงๆมันเป็นต้นโพจริงๆข่าวนั้นรู้จํามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนคําว่าต้นโพได้หมายถึงตัวบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมนั่นเองแต่คุณธรรมนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นแต่ไม่ได้พูดเรื่องการทําบุญที่เป็นวัตถุวันนี้ พูดกันเรื่องคำความสงบด้วยว่าบุญบุญคือความสงบมันเลยไปติดอยู่ความสงบก็เลยไม่ใช่ปัญญาความสงบไม่จะมีสองอย่างด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบคือทื่อเหมือนอึดเหมือนกวดนี่แหละสงบแบบนั้นเรียกว่าสงบไม่มีปัญญาสงบใส้โมหะสงบเพราะคนไม่รู้อันนั้นตอนที่สงบเมื่อมารู้ มันไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความรู้แจ้งแต่มันไม่ใช่เป็นความสงบแต่ก็ยังเรียกว่าความสงบอยู่นั่นเองความสงบตอนนี้คือความสงบจากโทษะโมหะโลภะสงบจากความงมงายสงบจากความหลงผิดสงบจากความไม่รู้สงบจากความมืดมายังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติ อันนี้แหละตอนที่เราไปทำกรรมาฐานจ ะ, ะถือว่าดีจะทำวิธีไหนก็ตามดีทั้งนั้นแต่เมื่อเรายังมีความสงสัยความลังเลใจอยู่อันนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่พระองค์ท่านสอนเอาไว้อย่นั้นเมื่อเรามาจัดต้นตอของกลมคิดนี่แหละคนเราไม่เคยดูกลมคิดไม่เคยดูจริงๆสำหรับที่เคยทำกรรมาฐานอยู่คราวนั้น ไม่เคยรู้ความคิดมันคิดยังไงไม่เคยรู้พอดีมันคิดเข้าไปแล้วก็เลยไปรู้ความคิดมันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดไปเรื่องคนนั้นดีคนนี้ชั่วคนนั้นเรียนดีคนนี้เรียนเก่งคนนั้นมีเงินคนนี้ไม่มีเงินคนนั้นมีศีลมีธรรมคนนั้นไม่มีศีลมีธรรมมันเคยไปรู้อย่างนั้นมันไม่เคยมารู้ที่ต้น ต, ต่อของชีวิตจิตใจที่มันคิดมานี่มันไม่เคยรู้ที อันนี้ตอนนั้นก่อนที่จะรู้ความคิดนี้กำลังเดินเดินไปเดินมาค่ายๆ่ยคือมีคนมาผักดันข้างเรายูคนเราก็มองดูมันไม่เห็นด้วยตาความคิดนีนไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนก็เลยไม่เห็นเดินกลับไปกลับมา่ว่าเดินจมชมแต่ความจริงก็ยั้งนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดกันมาครั้งที่สองนี่ก็รู้เป็นเรื่องราว พอดีมันคิดขึ้นมาครั้งที่สามนี่ก็รู้รู้แจ้งรู้จริงตอนรู้แจ้งรู้จริงในธรรมเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูเราเอาแมวมาเลี้ยงไว้พอดีหนูออกม า, าแมวมันจะคุบจับทันทีจับอย่างแรงหนูมันก็เลยฟอกตายแบบ น, นี้เมื่อเราคิดก็ตามไม่คิดก็ตามเรามีสติทำควมเคลื่อนไหว เส้นเรพิิกตาก็ได้หายใจก็ได้พลิกมือขึ้นขั้ว ม, มือลงก็ได้จะเคลื่อนไหวโดยยิธถือก็ตามเรามีสติรู้อยู่ที่ตรงนี้พอดีใจิตใจมันคิดขึ้นมามันจะเห็นจะรู้จะเข้าใจสัมผัสได้จริงๆความคิดนั้นเลยไม่ถูกปรุงไม่ถูกปรุงก็เลยทวนกระแสของความคิดได้เราทําอยู่อย่างนี้แหละมาคอยดูอยู่ที่ตรงนี้แหละ อันคอยดูนี่เนี่ยเรียกว่าควนกระแสควรกระแสของน้ําตามปกติจิตใจคนนั้นมันคิดไปแต่ทางที่ต่ําคิดไปในทางที่ผิดมากมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทําบุญมันไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาศีลการทําความรู้แจ้งอย่างนี้พอดีมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความพบมันเกิดที่ตรงนี้ แต่ความจริงแล้วชีวิตจิตใจของคนทุกคนนั้นมันดีอยู่แล้วมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าจิตใจเทพพระพุทธเจ้ามาเกาะบวกกับพระพุทธรูปนึ่นเท่ากับเมล็ดงแต่มันน้อยที่สุดแต่คนไม่เคยดูที่ตรงนี้มันก็เลยไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจบัดนี้ที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สงบที่มันโปกปก ลกลงลังไปนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตแต่มันมาแอบแฝงเหมือนแมวกับหมูนี่แหละหมูมันมาแอบแฝงอยู่ในบ้านเราหรือ ม, มาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเราเราต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้พอได้มีแมวหนูมาแมวมจับอันควมคิดประเภทนั้นก็เหมือนกันเมื่อเรามาคอยดูความคิดอยู่ความคิดที่มันคิดขึ้นมาดีก็ช่างชั่กวก็าตามเราเห็นเรารู้เราเข้าใจ ควาคิดมันถูกหยุดไปมันเลยไม่ได้ปรุงอันนี้เนี่าวิสังขารสังขารไม่ถูกขปรุงแต่คนก็ยังมีจิตมีวิญญาณมีเหมือนกันมีรูปมีกายไี่มีเหมือนกันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกันแต่รูปนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะรูปนี้มันต้องทําการทํางานตามหน้าที่มองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือที่มันเป็นวัตถุอันนี้ ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ถุกเพราะมันไม่ถูกปรุงเพราะรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกั ก, จกเอาชนะความคิดที่ปรุงแต่งมันได้อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติธรรมอย่างสบายสบายไม่ต้องหลักตาก็ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาณสถานที่นี้เรียกว่าธรรมสถานเนี่ยกันระดับปัญญาทั้งนั้น เม่เพื่อนทิษุสมมเนธตลอดคารวาสญากโยมทุกท่านมาทีน่นี้ก็เป็นท่านปัญญาทั้งนั้นเพราะเคยศึกษาเล่าเรียนกันมามากตัวมากแล้วอันนี้แหละเป็นทางดับทุกข์ดับร้อนดับได้จริ ง, รงๆเรื่องนี้เพราะเมือ่อเห็นสภาพเส้นนี้แล้วผมโกรธผมโลภสมหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ครูบาอาจารย์นั่นแหละสอนเราว่า การทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีพยายามทำแล้วเพื่อให้ปราบข่มโกดข่มโลรคข่มหลงว่ายังไงแต่ข่มจริงข่มโกดข่มโลรคข่มหลงนั้นมันไม่มีตอนมันมีนั่นคือเราไม่ได้ดูต้นตอของชีวิตจิตใจนี่เองมันก็เลยโผล่ออกมาตกหน้าเอาตกหน้าเอามันตกหน้าเราเราก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่แหละข่มหลงผิด กพเป็นงคนลืมตัวแต่ไม่แค่ลืมตัวตัวนั้นนี่ลืมสมุฐานต้นเหตุกบเนิดที่เกิดของความคิดนี่แหละการศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระไตรปิฎกก็ต่ง้งถ้าหากไม่มาจับต้นตอตอนนี้แล้วอันนั้นก็ดีแต่ว่ายัางไม่ตรงเพราะมันยังแก้ทุกข์ไม่ได้มันดีเพียงเอาไปโฆษณากันส่วนเสื้อกันก็ดี ดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคัร์ก็าตามไม่ใช่เป็นเรียนทรงจำเอามาแล้วไปเป็นเครื่องมือหากินไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อเรียนทรงจำมาแล้วเอาไปพิธีตีตองเป็นวิธีกรรมอื่นๆนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียนมาแล้วเพื่อเอามาแก้ปัญหาตัวเองเอามาแก้ปัญหาคือความทุกข์นี่แหละ หากว่าเราเรียนมาแล้วไม่เอามาแก้ปัญหาตัวเองไม่เอามาแก้ปัญหาตัวทุกข์นี่ก็อันนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์น้อยไม่มีประโยชน์มากอันนี้พูดด้วยใจจริงแต่คนอื่นนั้นจะเอาไปใช้อย่างไรไม่ทราบตอนที่รู้เรื่องนี้แหละเรื่องเมตตากรุณามุทิตาเปขาไม่ต้องพูดถึงอันนั้นเป็นเรื่องความเรียนมาจากตำรับตำลาเรียนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ำได้แต่เมื่อมาเห็นมารู้เข้าใจอย่างนี้ทุกคนมีชีวิตเหมือนกันแล้วก็ตายเป็นเหมือนกันแต่ไม่ต้องการทุกข์ทั้งนั้นควรมทุกเกิดขึ้นล้าก็สงสารบุคคลที่ไม่รู้เขาจึงทำผิดพูดผิดคิดผิดเมื่อทำผิดพูดผิดคิดผิดแล้วมันจะถูกไหมมันไม่ถูกเมื่อทำถูกแล้วมันจะผิดไหมมันไม่ผิด เหมือนขาวกับดำเหมือนมืดกับสว่างนี้เองดังนั้นการเจริญกรรมฐานเจริญปัญญาก็ตามเนือ้อเจริญศีลก็ตามอันนี้ว่ายืนยันรับรองได้คําพูดที่นำมาพูดนี้เดี๋ยวนี้คนมีปัญญาฟังแล้วเอาเถอะจับไปใช้ทันทีแต่เมื่อคนใดปัญญายังไม่แหลมคมนั้นต้องเจริญปัญญา การเจริญปัญญานั้นไม่ใช่เป็นนั่งเฉยๆไม่จังนั้นคือทำความตื่นตัวทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอจะทำจะพูดจะคิดดูลงไปที่จิตใจจิตใจมันนึกมันคิดอันใดดูเห็นเข้าใจแต่ไม่ใช่ตาไม่เห็นแต่คือเอาใจดูใจหรือเอาจิตดูจิตหรือเอาสติมาดูจิตว่าอย่างไรก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติพูดขึ้นมาสมมติมสง ม, ม, มีมาก